ครับตอนอ๋อสมพรมาเข้ามานั่งนั่งนั่งสบายดีไหมสบายดีครับออยากจะบอกท่านว่าตอนนี้ยผมเปลี่ยนชื่อมาเป็นนายสนิทเลยแล้วครับอ๋อชื่อก่าเป็นยังไงละ่ะฮะก็ไม่รู้สิเมืนจะต้องมีเหตุต้องกล้าเขา้อห้องขังอยู่เรือ่อยเลยขนาดนั้นเลเหรอครับวันก่อนก็เกือบโดนพ่วงไปแล้วพอดีผมบอกมองออกว่าตรงนั้นมีอะไรไม่ชอบมาพากล นึกแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีตำรวจแสดงตัวแน่ๆเลยก็ตั้งใจจะเข้าไปนั่งตากแอร์แล้วเพราะเคยเข้านั่งตากแอร์อยู่บ่อยๆจนคุ้นเคยกับเจ้าของร้านแล้วล่ะเออมาในกูดวิดวิดแค่ห้องขังอยู่เรื่อยๆเลยนะเนี่ยฮะเออครับผมก็เลยลองเปลี่ยนชื่อดูเผื่อจะมีอะไรดีกว่าเดิมครับนี่เป็นเด็กของท่านเจอไม่ดีหรือไงฮ่าฮ่าฮ่าก็อยากไปอย่างนายรู้ไหม <c oughs> ไม่จริงแล้วครับผม อาผมว่าใครๆก็อยากเป็นอย่างท่านมากกว่าบุญพาวาสนาทงจริงๆนะเนี่ยไม่อย่างนั้นท่านจะได้กล้าไปนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับยินดีด้วยจริงๆนะครับขอบใจนายมากๆจังลยนะถ้าไม่ได้นายเนี่ยจะคงจะไม่มีวันนี้หรอกนะนายสนิทไม่จริงหรอกครับเพราะพระเจ้าดอนมดานในทําโน่นทํานี่มากกว่าครับคิดอย่งนั้นเหมือนกันเหรอครับก็ได้จากท่านนี่แหละดีดีดีดี ด, ด, ด, ดีมากจัละ ตอนนี้ชีวิตของนายก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะใช่ครับท่านแหม่ยกย่อนใจขนาดนั้นฉันเลยพูดไม่ออกตั้งที่นายเป็นแสงสว่างนําทางชีวิตของฉันนะเราต่างก็เป็นแสงสว่างนําทางซึ่งกันและกันครับท่านเอาอย่างนั้นเหรอเอาเอาอย่างนั้นก็ได้ไม่ขาดตร์ทธาอยู่แล้วใช่ไหยเออจะนี่นายว่าหรือเปล่าอว่างครับทำไมครท่านจะชวนไปนั่งกินอะไรกันสักหน่อยาได้แล้วเอาว่าแต่ว่าท่านแน่ใจแล้วว่าท่านว่าง เพราะหมู่นี้ท่านไปไหนมาไหนกับท่านนายกทุกวันไม่ใช่เลยครับเอหนะ้าพี่พิทยาได้หอรอกหนะ้าแน่ใจนะครับแน่ใจสิอ่ะก็ได้ผมจะรอท่านสิน้าทำเลยนนะครับได้เลยยันี้เจอกันเอองั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับอืมได้ได้ได ว่างไปทานเข้าวกำมันกับผมให้ครับท่านเ อ, อ้ผู้กองเออเดี๋ยวนี้เรียกผู้กองไม่ได้แล้วสินะต้องเรียกท่านสารวัตรใหญ่จริงไหมอืมเรียกเหมือนเดิมน่ะดีแล้วครับท่าน อ, อ่ถ้าอย่างนั้นผู้ ก, กองก็ต้องเรียกผมเหมือนเดิมสิครับไม่ได้ครับอา้าวทาไมละ่ะเพราะตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ทําไมจะไม่ได้ผู้ ก, กองเป็นผู้มีพระคุณของผมนะครับอย่าเรียกผมว่าท่านเลยเรียกได้ยิ่งเหมือนเดิมดีกว่านะก็ทำไมจะต้องเรียกอย่างนั้นละ่ะ ผมจะได้รู้สึกว่าผู้กองเป็นผู้ที่มีผมต้องเคารพนับถือเลยครับถอยนะครับผู้กองก็ได้ก็ได้เอางั้นก็ได้แต่มีข้อแม้นะข้อแม้อะไรครับก็ข้อแม้ว่าถ้าอยู่ต่อหน้าสาธารณาชนจําเป็นต้องเรียกท่านก็ต้องเรียกตามฐานะแต่ถ้าเป็นการเรียกส่วนตัวยินดีให้เป็นไปตามที่ต้องการอ๋อได้ครับได้แล้วนี่ กลางวันว่างหรือเปล่าแม่ผู้ก่ออุตสาห์มาถึงที่ทํางานผมแบบนี้จะไม่ว่างได้ไงล่ะครับอจริงไหมแฮปปี้กันจังเลยนะคะใครเสียงที่มาจากข้างนอกนะเลขาพิ่งอยู่หน้าห้องซะด้วยฉันออกไปดูเอง <c oughs> ไม่ต้องเดินไม่เสียเวลาแล้วคะ่ะฉันเดินเข้ามาเองได้ <c oughs> นี่เธอเป็นใครเนะนี่ยน้ําฝน คุณกำลังติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยนำเสนอโดย Nation Entertainment ชุวเมลาในชีวิตเรา มีช่วงที่ดีแล้วร้ายอาจมีใครมากมายที่ร่วมสุดตรว่ตอนที่เราทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเพียงสองเราเท่านี้แปลกที่ถ้าชีวิตคนพยายามดินรอนคนหาเรื่อยไป อะไรที่เป็นของนองกาจะจะมีสักกี่คนเข้าใจว่าความรักนั้นไม่ต้องการอะไรมากกว่าใจกับใจที่ให้กันบางที่คนเราเหมือนจนลืมมันไปว่าอะไรจะมีความหมายและสงคัญ มอสึกนั้นคำสำคัญนั้นมีค่ารักษาไว้ให้ดีอย่าลืมว่า เราจะได้รักกันกว่าที่เราจะมีคำว่าเราเก็บเอาไว้สิ่งเหล่านั้นอย่าให้มันลบเลือ ก, ก็จะมีสักกี่คนเข้าใจว่าความรักนั้นไม่ต้องการอะไรมาหัวใจกับใจที่ให้กันบางทีคนเราเหมือนจะลืมมไป ว่าไรทจะมีความหมายไรสำคัญอย่าลืมคํวารักคำนั้นอย่าลืมความรู้สึกนั้นคาสงคันั้นมีค่ะ สนันความสาคัญนั้นมีค่ารักสาวไว้ให้ดีย่าลืมคำว่ารักคํานั้นที่เคยบอกกันแลกกันเพียงแค่คืนวันได้เลยผ่านอย่ามองคาบางสี่มองคำบางบอย่างอย่าลืมคว่ารักคํานั้ น, อ ย, น, นอย่าลืมความรู้สึกนั้นคสนสําคัญและนี้ So I c a h t deny it. y o u e c o m e n g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 เธอสุดท <de leg ante> ุกเพียงใดอยู่ตรงนั้นเธอลำบากไหมใจฉันยังเป็นของเธอคืนที่เธอนาววันที่เธอเงาเธอจะปวดร้าวจะเจ็บสักเพียงไหนเมื่อเธอ ฉัน t ังคงห r r i e d Night when she's cold, day w h e เ she's cold, she'll be hurt, she'll be h u r ที่เฝ้าคอยดูแลเธอ ฉันตั้งใจเก็บมันให้อยู่ดังเดิมอยากไปจแม้ว่านตจไม่มีใครแต่ก็มนมีางกอฉันบาเหมือนเคยเกินหอจมนใบด เาต่างเครวมฝันแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจกลิ่นของความรักก่งความรักไม่คจะจางหายไปไม่ว่าเวลามันจะนเก็มีเธอมรใคร ก, ก็สุดึงความรักดึงความรักไม่เคยจะจางหายไปถแม้ว่าวันเวลามันจะนานจะเท่าไรก็มีเธอไม่รักใครเดึงความรักเดึง ค, เงความรักมันยังเติมอยู่ในหัวใจหอมยิ่งกว่าน้ำหอมของใครคนไ ไม่มีใครแทนที่เธอแต่เมื่อวันที่เธอจากฉันไปไม่มีคืนไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอยังรักยันเป็นหุ่นเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน คุณกำลังติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัย นำเสนอโดย Nation Entertainment ยังจำจะได้อีกเหรอนึก็จะลืมอีบ้านอนอกคอกนาคนนี้ซะแล้วดีใจจังเลยนะที่ยังจำได้เอ้โหราไม่จริงใจนะแบบเนี้ยคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันหัวเราไม่จริงใจคุณไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของฉันสักหน่อยฉันฟอนําเสียงเธอออกเก่งนี่คะ ในทำเนียบแห่งนี้ไม่แต่คนเก่งๆทั้งนั้นสินะถ้าไม่เก่งจริงไหนเลยจะกล้าเลื่อยขาเก้าอี้คนอื่นแล้วก็หยับตัวเองขึ้นมานั่งแทนได้ละ่ะผลนี่เถอมันจะมากไปแล้วนะเธอกล่าวหาคนอื่นลอยๆแบบนี้ไม่ได้นะถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นี่คุณฉันบอกให้เธอถอนคำพูดเดี๋ยวนี้ไม่ฉันพูดความจริงความจริงอะไรของเธอนะฮะก็ความจริงที่ว่ารัฐมนตรียิ่งศักดิ์คนนี้ไม่เก่งจริงอย่างที่สื่อต่างๆประโคมว่าเจ๋งนะสิ ถ้าเจ๋งจริงแล้วก็ทําไมป่าเนี้ยถึงไม่ยอมกลับไปช่วยคนในหมู่บ้านของตัวเองรอให้บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเนะี่ยอดหยาบากแห้งกันหมดไม่รู้เรื่องไงว่าที่ที่ตัวเองเกิดนั่นนะ่ะตอนนี้แห้ง แ, งแล้งเหลือเกินพื้นดินแตกและแหงไปทั่วทุกหย่อมหญ้าไม่มีน้ําใช้ไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรแล้วรอวันตายกันหมดตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณนะ์เนี่ยทำไมถึงดนิ่งเฉยปล่อยปล่าละเลยขนาดนี้หรือว่าจะต้องรอให้พวกเราเนี่ยรวมตัวกัน ยกขบวนมาประท้วงที่หน้าทำเนียบเจ้าอย่างนั้นเรืยังไงอะฮะเออฝนฉันขอโทษขอโทษพูดได้แค่นี้เองเหรอพี่ลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับฝนไปแล้วใช่ไหมเสียแรงที่ฝนให้ความศรัทธาในตัวพี่เสียแรงที่คิดว่าพี่เป็นคนดีคิดว่าพอพี่ได้ดีแล้วพี่จะต้องกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองที่ไหนได้พี่เก่งแต่พูดเท่านั้นเองเพราะเงินตัวเดียวใช่ไห ที่ล้างสมองพี่ไปจนหมดนะฮะไม่จริงอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเข้าใจนะฝนแล้วยังไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมามากขนาดนี้แล้วพี่จะเอายังไงรู้ว่พี่จะมาอ้างว่ากลัวพวกพี่ๆของพี่จะฆ่าอีกอะ่ะถ้าพี่กล้าพูดแบบนั้นอีกนะฝนก็จะกล้าตบปากพี่เหมือนกันนี่เธอหเ<ะ>งื้อมือจะทําอะไรท่านอะ่ะนี่ท่านรัฐมนตรีเชีวนะจะเป็นรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีฉันก็ไม่กลัวแล้วอ้าว<ะ>มีด้วยเหรอรัฐมนตรี อ, อะ่ะฮะ ว่าไงล่ะพี่จะพูดอย่างนั้นอีกมะตอนนี้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดนี้แล้วอ่ะพวกพี่ๆของพี่อะ่ะเห็นแล้วก็ต้องกลัวหัวขดกันหมดละไม่มีใครกล้าฆ่าพี่หรอกอย่าว่าแต่ทำเลยคิดก็ยังไม่กล้าแล้วมั้งฝนพี่รับปากพี่จะไปเมื่อไหร่วันจันทร์ที่ถึงเนี้พี่เป็นคนพูดเองนะพี่สัญญาเลยพี่จะกลับไปให้ฝรดมชาวบ้านทั้งหมดไปรอที่หอประชุม้องเพลนะิน พี่จะเข้าสารอาหารแห้งไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเติมแรกก่อนดีฝนจะคอยแน่นอนพี่ต้องไปแน่นอนเราอยากเห็นฝนไปที่นั่นด้วยแน่นอนอยู่แล้วฝนจะรวมชาวบ้านไปรับของแจกให้หมดหมู่บ้านเลยดีมากเห็นฝนขอตัวเดี๋ยวซิฝนมีอะไรไม่ทราบเรื่องของฝนน่ยพูดจบไปแล้วเราไม่ได้เจอกันเลยอะฝนสบายดีไหมสบายดีไม่ต้องทําเป็นห่วงฝนหรอก ฝนเข้าใจคนที่เย็นชาต่อหัวใจแล้วล่ะฝนพี่ไม่ด้เป็นอย่างที่ฝนพูดนะเหรองั้นพี่ก็เป็นคนที่แค่ความรักมากมากสินะโทรหากันบันลสามเวลาเลยเนาะฝนน่คุยโทรศัพท์กับพี่ยิ่งจนหูชาไปเลยล่ะฝนพี่รู้ว่าเธอกาลังพูดจาประชดพี่อยู่รู้ด้วยเหรอนึกว่าชีวิตนี้ของพี่อะไรความรู้สึกเรื่องหัวใจซะอีกเหรอฝน นี่เธอทำไมหรือพี่ไม่ยอมรับความจริงเปล่าแล้วไงโอเคโอเคพี่ยอมรับก็ได้ที่อาจจะดูเย็นชากับเธอเหลือเกินแต่พี่มีเหตุผลนะเหตุผลอะไรไม่ทราบพี่ไม่อยากพูดอ่ะดีฉันหาว่าพี่อ้างโน่นอ้างนี่แต่พี่ยังยืนยันคําเดิมว่าพี่จะรักเธอคนเดียวและตลอดไปฝนจะชื่อได้ยังไงว่าวันนี้ที่พี่พูดเนี่ยพูดด้วยกําลังใจตัวเอง พูดเพื่อให้ภาพลักษณ์ของตัวเองออกมาดูดีในสายตาของคนอื่นนะไม่เลยผู้กองไม่ช่นอื่นผู้กองเป็นผู้มีพระคุณของพี่ผู้กองเป็นคนที่พาพี่ออกมาจากหมู่บ้านของพี่ผู้กองอ่ะเป็นผู้ชุบชีวิตของพี่เป็นคนแรกอ๋อเหรอดูถ้าเธอไม่เชื่อพี่นะฝนจะเชื่อหรือไม่มันก็ไม่มีความสําคัญอะไรหรอกคะ่ะมีสิเพราะพี่แค่เธอนะฝนมันต้องพิสูจน์จะให้พิสูจน์ยังไงฮะวันจันที่จะถึงนี่ไง ถ้าพี่ไปแจกข้าวของด้วยตัวเองจริงๆและพี่กล้าไปเปิดเผยตัวกับพ่อของพี่จริงๆแล้วก็ฝนจะทําตามคํามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ทันทีเลยเธอพูดแล้วนะฝนค่ะฝนเป็นคนที่พูดอะไรแล้วไม่คืนคําพี่ก็เหมือนกันแล้วได้เจอกันนะคะวันนั้นแต่วันนี้ฝนขอตัวก่อนค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนฝนอะไรคะเธอจะไปไหนอ่ะโดยใช้ไปส่งไม่ต้องฝนมาเองก็ไปเองได้แล้วเจอกันนะคะ น้ำฝน แล้วร่าถูกใจไปด้วยกันได้ไปไหนด้วยกันเหมือนคุยภาษาเดียวกันก็ตอนที่เจอกันที่มหาเทียร์ไรข้พวกของก่อนนั้นตอนนั้นผมกับน้องฝนเรียนโรงเรียนเดียวกันเป็นโรงเรียนของคริสนะครับเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันไปโรงเรียนด้วยกันกลับด้วยกันด้วยเรียนชั้นเดียวกันห่างกันครับห่างกันสองชั้นนะฮะอ๋อแต่ก็เข้ากันได้ดีครับเข้ากันด้วยดีฮะกิจกรรมของโรงเรียนเราสองคนมีส่วนร่วมเสมอ แล้เป็นผู้นําซะด้วยสิป่นนี้คงจะจบปริญญากันแล้วนะคงจะอย่างนั้นนะ่ะนะแต่ให้บอกผมว่าถ้าจบแล้วอาจจะกลับไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนประถมที่เคยเรียนตอนเด็กๆนะฮะก็ดีเหมือนแม่พิมพ์ของชาติน่ะนะนายกย่องออกแต่ไม่รู้ว่าเธอทําได้ตามที่ปรารถนาหรือเปล่าน่ะสิถ้าทางเธอเป็นคนมุ่งมั่นจริงจังน่าจะเป็นครูสอนเด็กนักเรียนไปแล้วล่ะผมเองก็ไม่น่าเลยนะเรดิว่าตอนนั้นไปเป็นช่วงหัเรื่องหัวต่อผมมีเวลาว่านิดหน่อย ก็ติดต่อเธอไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปล่อยเลยตามเลยให้ทุกอย่างเขารูปเขารอยแล้วจะให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอซะเลยนะคิดแปลกนะหายไป น, น, นานๆแล้วอยู่ๆก็ให้ผู้ใหญ่ไปขอไม่กลัวหน้าแตกหรือไงเกิดเธอแต่งงานไปแล้วสามีนั่งหัวโดทำยังไงละ่ะไม่ไม่แน่นอนฮะผมคิดว่าผมรู้จักน้าฝนดีครับมีหน้าล่ะเพราะรู้ใจดีนี่เองถึงได้ปล่อยปละละเลยขนาดนี้